พระธรรมเทศนาแผ่นที seven, minimum, uko, now, any, ่85าลำดับที <N> ่เจโดยหลวงพ่อ <N> อินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24มกราคม2 5งหมีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยความเมตตาต่อกัน วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่มกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันอุโบสถของพวกเราเมื่อวานเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเตือนสองแต่วันนี้เป็นแรมค่ำหนึ่งแต่เป็นวันอุโบสถอุโบสถตักตกวันนี้นะ อย่างที่ผมเคยเล่าเคยพูดให้พวกเราฟังฟังอุโบสถไม่ใช่จะตกวันพระสิบห้าค่ำทีเดียวตกแหลมค่ำหนึ่งก็มีขึ้นค่ำหนึ่งก็มีวันนี้ตกแหลมค่ำหนึ่งที่พวกเราฟังปฏิโมกจบลงสักครู่นี้อันนี้คือหลว่าศิลและวินายศิลและวินาย ยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นธรรมและวินัยนั่นแหลจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วปรินิพานไปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นท่านไม่ได้มอบให้ออบุคคลใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งออพวก มีบุญหนักสักใหญ่คนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าไม่มีถึงจะเป็นพระรหัน์ท่านก็เป็นพระรหัน์แต่หลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ายังเป็นหลักทุกคนพระรหันธ์ทุกองค์จะต้องเคารพในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าถือว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะเป็นรรสาจจะดาของพวกเรา ทุกองจะต้องเคารพรา ส, สดาคือธรรมวินัยเพราะนั้นพวกเราจึงวันนี้พวกเราจึงได้สวดพระปฏิโมก อ, องค์ที่ส่วนก็นั่งสูงกว่าองค์ที่พวกเราถึงจะมีอายุพรรษาน้อย เ, อเราก็ให้เกียรติว่านี่แหละตัวแทนพระพุทธเจ้าที่เราขึ้นสวดคือตัวแทน พระองค์แทนพระพุทธเจ้ากล่าวทำคําสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมวินยัยให้กับพวกเราสิทธญาณุสิทธ์ทั้งหลายประกาศอย่างนี้พวกเราก็นั่งประนมมือทุกอง์ถึงจะมีอายุพรรษามากก็นั่งประนมมือฟังองค์ที่สวดพระปฏิโมกข์คือสวดธรรมสวดธรรมวินยัย ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังอย่างพวกเรานั่งอยู่นั่งต่ำกว่าทุกองค์แล้วก็ปนมือทุกองค์องค์ที่สวดปนมมืออีกเพราะว่าได้กล่าวทำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กล่าวหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันมงคลสำหรับ พวกเราท่านทั้งหลายเป็นการทบทวนศีลและวินยัยศีลและวินัยอยู่กับตัวพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราพระในหลักพระธรรมในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระไม่อยู่ในศีลไม่อยู่ในวินยัยเราจะเรียกว่าอะไรจะเรียกเป็นพระได้ไหมก็ไม่ใช่ไม่น่าจะเรียกพระจะเวียกฆราวาสเรียกฆราวาส ก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันและจะเออรียกยังไงอรัชีท่านเรียกอีกแบบหมึอนอลัชีอรั ช, อรชิตาเป็นผู้ไม่มีฮิริอตตปะไม่มีอย่างอายเพระพระเดจ้ทาท่านประนามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะที่เราได้บวชมาในในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้ตั้งใจ ไฟในการเรียนรู้ไฟในการศึกษาและก็อยู่ในกฎระเบียบพิในของพระธรรมพิัยของพระพุทธเจ้าให้เราศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าวิในหรือศีลคือกฎระเบียบถ้าจะว่าไปเลยคือกฎหมายการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันมากมาย แต่ส่วนวิชาอาชีพนั้นอันนี้อันนั้นอีกอันนึงแต่ถึงจะทำวิชาวิชาอาชีพใดก็ตามก็อย่าให้กระทบกระเทือนกันให้อยู่ในกรอบของกฎหมายนี่แหละอันนี้คือวิชาอาชีพ ค, คือการหาเลี้ยงชีพแต่ละคนถึงจะขยันทำนาขนาดไั้นก็เถอะแต่จะไปแย่งที่ไร่ที่นาคนอื่นเขาถ้าไปแย่งที่ไร่ที่นาคนอื่นเข า, าผิดกฎหมาย ถ้าไปขโมยคนอื่นของเขาผิดกฎหมายไปขโมยตัวเองทำนานหรือไปขโมยวัวควายของเขามาไถนาผิดกฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันพระวินัยของพระพุทธเจ้าการทํามาการรักษาก ฎ, กฎระเบียบนะคื อ, คอพระวินยัยแต่ส่วนจะตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัตินั้นคือวิชาชีพของตนเองวิชาชีพคือการปฏิพิติปฏิบัติ พวกเราจะมันขยันอย่างไรที่จะสวัสดิหาทรัพย์คนมันคนมีปัญญาคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้นี้ก็เหมือนกันนั่นแหะถ้าว่าพวกเราขยันมีปัญญารู้จักแยกแยะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัตินั่นแหละพวกเราจะได้รับความสงบได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้ดื่มรสพระธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้ า, าคือสมาธิและปัญญานะจนถึ ง, ออถงวิมุตติญาณถึงญาณทัศนะวิมุตติญาณทัศนะจนถึงหลุดพ้นจากอาสวัคกิเลสได้แต่ถ้าว่าพวกเราเออไม่อยู่ในออในกรอบหลักพระธรรมวินัยก่อนที่จะมาสู่วิชาอาชีพเนี่ยัญญากเหมือนกับคนทั้งหลาย อ, อ, อยู่ในโลกเนะี่ยไม่มีกฎหมาย ต่างคนต่างอยู่ปีนป่ายกันไม่รู้จะทำอะไรคนหนึ่งพอจะทำมาหนึง่งคนหนึ่งก็ไปเหยียบไปป้นไปฆ่าไปคดไปโกงเลยไม่มีเวลาทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองไม่มีกฎหมายคุ้มของต่างคนก็ต่างแวดระวังไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพตนเองนี้ก็เหมือนกันนะเราเป็นพระในพระพุทธศาสนาต้องมีหลักพระธรรมวินัยการอยู่ด้วยกัน มากมายหลายองค์ต้องอยู่ในหลักอยู่ในกรอบอยู่ในพระธรรมวินยัยหลักพระธรรมวินยัยคุ้มคลองจากนั้นเมื่อมีหลักพระธรรมวินยัยคุ้มคลองแล้วเราจะภาวนาจะเดินยังกลมนั่งภาวนาก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่าต่างองค์ก็ต่างอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยของแต่ละองค์นี่แหละในหลักธรรมคำสอนจึงว่าสารานิยธรรม ทำเป็นที่เป็นเครื่องอยู่ของหมู่คณะที่อยู่ด้วยกันเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสมัมเนนเช่นว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนหรือวันดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบประกอบด้วยเมตตาเนะี่ยคำว่าเมตตาเนะี่ยเป็นหลักนะคือการอยู่ด้วยกันต้องมีเมตตาต่อกัน ถ้าองค์ไหนทําอะไรไม่ได้ไม่ทุกเย็บผ้าไม่เป็นผ้าจีวรขาดพวกเราเห็นเออผมผ้าจีวรขาดท่านเย็บไม่เป็นอา้าวผมเย็บให้เออผมช่วยใน เ, เมื่อหมูพกก่พกเพื่อนช่วยเราเราพอจะทําอะไรช่วยหมู่พกเพื่อนได้เราก็ช่วยหมู่พกเพื่อนด้วยกายกรรมเพึ่งพาอาศัยกันประกอบด้วยเมตตานี่แหละการอยู่ด้วยกัน ตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสัมมเมนนทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งต่อหน้าด้วยทั้งรับหลังด้วยนะไม่ใช่ต่อหน้าเลยต้าไหว้ลังหลอกนั้นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกนะทั้งต่อหน้าและรับหลังคร้าๆก็ช่วยกันทำอะไรไม่เป็นทำไม่กวาดไม่เป็นทำให้และก็อง์ที่ทำ อ ง, อ, ปปองที่ทำไม่กวาดให้องที่ดูแ่้กันเอาไปปัดกวาดแทนองที่ทำไม่กวาดให้นี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่ด้วยกรรมประกอบด้วยเมตตาในกายกรรมคือการกระทำเข้าไปตั้งวจีกรรมไปตั้งเข้าไปตั้งวัจีกรร ม, รรรมในเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งต่อหน้าและรับหลัง เช่นว่ากล่าวสั่งเสือนสั่งสอนตักเตือนสิ่งที่ท่านเรานั้นไม่รู้ เ, ออเราก็ว่ากล่าวด้วยความเมตตานะคือเมตตานี่เป็นหลักนะไม่ใช่ว่าเข้าไปกล่าวสั่งสอนแบบนักเลงไม่ได้ไม่ถูกออกล่าวด้วยความเมตตาให้ข้าวาท่านไม่รู้ในหลักธรรมที่ไหจุดนี้หรือสินข้อนี้หรือกฎระเบียบอย่างนี้ออหรือว่าออการเป็นอยู่ของพวกเราการอยู่ด้วยกัน กฎระเบียบของวัดของเราเป็นอย่างนี้หรือว่าสิ่งไหนที่ท่านไม่รู้ในเรื่องนั้นๆ เ, เราก็เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาคือว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนแนะนำให้เกิดประโยชน์สำหรับผู้ฟังอันนี้เรียกว่าเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสมนเนรทั้งต่อหน้าและรับหลัง เข้าไปตั้งมโนกรรมต่อเพื่อนภิสษุนสัมมาเนนทั้งต่อหน้าและรับหลังเหมือนกันมโนกรรมคือคิดดีคิดไม่เบียดเบียนคิดไม่ลังแกคิดไม่เอารักเอาเปียบหมูพวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมีแต่คิดแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้หมูพกเพื่อนเจริญรุ่งเรืองใครมีสติปัญญาขนาดไหนก็เอา ให้ได้สติให้ได้ปัญญาให้ได้แนวความคิดให้เจริญก้าวหน้าคือตั้งเข้าไปตั้งมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสมมามเณรทั้งต่อหน้าและลับหลังอันนี้หละคือหลักธรรมการอยู่ด้วยกันจากนั้นก่อนรักษาศีลบริสุทธิ์เหมือนภิกษุสมมามเณรอื่น คือทำตนไม่ให้ย่อย่อนไม่ใช่ว่าตัวเองทำย่อย่อนจนหมูลังเกียดเดียดสันนอนตื่นสายบางังเอารัดเอาเปรียบหมูพวกเพื่อนบงังหมูมาซาลาปัดกวาดตัวเองยังค่อยโดยโดยมาแล้วก็มาเอารัดเอาเปรียบหมูเวลาหมูปัดกวาดที่ไหนได้เดี๋ยวเวลาฉันอะไรเร็วก่อนเพื่อนส่งการอะไรเร็วก่อนเพื่อน เร็วกว่าเพื่อนอ่าอาจารย์นนใช้เมดานะคล้ายๆกว่าต้องหมู่พวกเพื่อนรักษาศินบริสุทธิ์เหมือนกับสัมมนเนติพิชสุสัมมนเนตอื่นไม่ให้ย่อหย่อนในศินและวินัยและก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบทำให้แก่เพื่อนภิกษุสัมมนเนตอื่นไม่หวงไว้บริโภคแต่เฉพาะผู้เดียว มีอะไรได้มาแล้วก็แบ่งปันหมูพกเพื่อนถ้ามันพอจะแบ่งปันกี่องค์หน่ก็แบ่งปันอถ้ามันมีมากก็แบ่งให้ทั่วถึงอไม่แช่ได้มาอะไรก็กินแต่ฉันแต่องค์คนเดียวใช้แต่คนคนเดียวอไม่ได้ต้องแบ่งเฉลือเพื่อแพร่ให้เมื่อนเพื่อนพึกงสุสัมมาเนอด้วยการที่อยู่ด้วยกันนี่แหละการอยู่ด้วยกันแล้วก็ข้อที่หกมีทิฏฐิ เสมอกันกับภิกษุสัมมเณตอื่นคือไม่เห็นแย่งแย้งกันคนหนึ่งเห็นอย่างไรคนหนึ่งเห็นหนึ่งาว่าความเห็นตัวนี้นะ่ะจะให้มันแย้งกันเพราะอะไรแย้งกันด้วยทิฏฐิมานะหรือแย่งกันด้วยความเห็นหรือแย้งกันด้วยไม่รู้และแย้งเห็นด้วยอะไร อ, อ, อันนี้เราต้อง อ, อมา ใช้กไซเรียงใส่กันถ้ามันไม่ตรงกันนะ่ะ เ, เป็นเพราะอะไรเพราะเราได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์องค์อื่นครูบาอาจารย์แต่และองค์น่ยเราได้ศึกษามาแล้วน่ะมันท่านผู้นี้ผู้นี้เราก็ต้องหาท่านผู้รู้หรือหักหาหลักกฎเกณฑ์หาหลักพระธรรมวินยัยหรืออ้างอิงพระไตรปิฎกหรือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีทางออกอมีทางออกทั้งนั้นละ่ะทิฐิตัวนี้นะ เจเวนเสียจะดันทุลังหัวชนฝาอันนั้นเอแบบนั้นคบไม่ได้อะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อยู่ในสารานิยธรรมตัวนี้เอทิฏฐิเหมือนไม่ลงรอยกันเยไม่อยู่ในหลักกฎเกณฑ์ของสารานิยธรรมถ้าอยู่ในสารานิยธรรมแล้วนอมีทิฏฐิเสมอกันกับเพื่อนพิกษุสมมเณีอื่นไม่เห็นมีไม่มีความเห็นแก่งแย่งกันนะนี่แหละอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลาย พวกมูพวกเราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันนะต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอยู่ด้วยหลักพระัรมวินัยอย่าไปอยู่ด้วยอความขัดแย้งออยู่ด้วยความเมตตาเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมประกอบด้วยเมตตามโนกรรมประกอบด้วยเมตตาแล้วก็แบกปัญญาบดยตนได้ได้มาโดยชอบธรรมแล้วมีทิฏฐิ เออความเห็นเหมือนสัมมาเนมภิกษุสัมมนเนมอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคือสารานี้จะทํามีหกข้ออย่างที่ผมเน้นอธิบายมาแล้วนะ่ะคอให้พวกเราทุกทุกท่านนะการอยู่ด้วยกันถึงยัไม่ใช่อยู่ในที่นี่ก็เถอะนะไปอยู่ในสถานที่อื่นเออก็ให้มีสารานี้จะทําในจิตในใจถ้าพวกเรามีสารานี้จะทําในจิตใจแล้วพวกเราอยู่ในสถานที่ใด รมเย็นเป็นสุขนะถ้าว่าขาดทำเหล่านี้เข้ามาในจิตใจแล้วมีแต่ความแก่งแย่งกันมีแต่ทิฐิมานะเข้าหากันไม่มีผู้น้อยไม่มีผู้ใหญ่แล้วกันนะยุ่งเยิงวุ่นวายไปหมดอันนี้คือการอยู่ด้วยกันคือหลักพรัฒนวินัยแต่เรื่องการภาวนากันอย่างที่ผมได้พูดเมื่อเช้าเนี่ยนะทุกองให้มีสติอยู่กับตนเอง แต่ละวันแต่ละเวลาทั้งวันอะอย่างวันนี้ยตั้งแต่เราตื่นมาเราได้ภาวนาใจของเรามุ่งคิดไปในทางไหนแต่ละวันวันนี้เราคิดไปทางไหนคิดไปทางโลกคิดไปทางเที่ยวเลือกที่ไปท้าอยู่หากินเรือกคิดทางทางสนุกสนานใจของเราคิดไปทางไหน หรือว่าเราภาวนาเรามีสติอยู่กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนหวันนี้ อ, อวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยตั้งแต่เราตื่นมาเนี่ยจนถึงย้อนะวันที่ยี่สิบห้าที่จะถึงนะแล้วก็ถึงวันที่ยี่ห้าแล้วก็ทบทวนะวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเนี่ยข้าพเจ้าดะคิดไปทางไหนบ้างในเมื่อวานเนี้ยจนมาถึงวันนี้แต่ถ้าว่าเราภาวนา ใจของเราอยู่ในสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินเก้าวเดินขาขวาพุทขาซ้ายโถมีสติถึงจะไม่พุทธแต่มีสติอยู่กับตัวเองเวลาการภาวนาค่มีสติอยู่กับตัวเองแปลว่าวันนี้สติอยู่กับตัวเองมากวันนี้วันนั้นแปลว่าวัน ไ, ได้กำได้กไรนะนะวันนั้นนะ แต่ถ้าหาว่าบางวันคิดธรรมดาก็ยังไม่แล้วยังหาเรื่องที่จะโมโหโกธาโกรธเสียใจวันนั้นเป็นวันขาดทุนย่อยยับในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นให้พวกเราอย่าไปหาขาดทุนกำไรที่อื่นนะหาขาดทุนกำไรอยู่ที่ตัวของพวกเรานี่แหละให้พวกเราดูที่ตัวของเราเองขาดทุนหรือกำไรแต่ละวัน ถ้าพวกเรารู้จักว่ามันขาดทุนเราก็พยายามเอทําให้กําไรให้มันเกิดขึ้นสิมันทุกนะมันขาดทุนอ่ะถ้าเขาขาดทุนเรื่องทรัพย์ก็เห็นไหมเขาผูกคอตายเอถ้าเราขาดทุนทางจิตใจแหละมันจะสุขได้ยังไงมันก็ทุกหนะเพราะฉะนั้นเราจะให้มันทุกให้มันทุกกายมันเป็นไรอ่ทุกกายหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไม่หายมันก็ตายท่านน่ะแต่ทุก ทุกใจเนี่ยนะมันทุกไปนานเท่านานนะอ อ, ออกจากชาตินี้ไปแล้วจะไปตกนโลกหมกไหมจะมันทุกใจนะแต่ถ้ามันสุขใจนั่นนะ เ, เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นพระโสดาสกทาอนาคาพระหันนะถึงจะทุกข์กายก็ไม่เป็นไร เ, เ, เพราะร่างกายเนี่ถึงอย่างไงมันถึงจุดจบความันอีกสักวันหนึ่งจะแล้ว เ, เราก็ไม่ได้ถึงว่าเป็น อินเป็นพรหมเป็นเทวดาในร่างกายเนี่ยอีกสักวันหนึ่งเนะอย่างผมเมื่อวานเนี่ยโอ้หมดอะไรตายอยากเหมือนกันนะมันหนื่อยเพลียมันเบื่อไปหมดมันเบื่ออาหารนะเนี่ยเขอมองมั น, ม อ, ม, นมองมันเหมือนกันเออถัดขันร่างกายเนี่ยมาขนาดนี้เราก็รู้ได้ขนาดนี้สมกับคําที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเน่ยพาลาฮาเวปันจักขันธาดขันทั้งห้าเป็นภาระหนัก พาลาหาเวพาลาฮเวปัญจักขันถาดขันทั้งห้านี่คือตาหูจมูกเล่นกายเนี่ยเป็นภารัดหนักพาลานีเข็บปรังสุขขังการวางขันทั้งห้านี่เป็นเป็นสุขอย่างยิ่งนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านไม่ได้ยึดในธาตุสี่ขันหานี่ท่านวางขันได้เป็นสุขอย่างยิ่ง เนีพราะนั้นให้พวกเราทดลองปล่อยทดลองวางเ่ยสิถ้ามันอยู่ในแบกภาระทั้งแบกทั้งกายด้วยแบกทั้งใจด้วยเนะี่ยตัวข้อสําคัญแบกทั้งใจด้วยเลยสิใจมันเป็นทุกขนะ์เนี่ยแต่พระอรหันตนะ์เนี่ยท่านมีแต่ร่างกายท่านก็มองดูว่ามันเป็นทุกข์จริงร่างกายเนะี่ยแต่มันก็เหมือนกับเราเลี้ยงเด็กลักษณะอย่นั้นท่านเลี้ยงเด็กเนอแต่ท่านก็ไม่ทุกข์กับเด็กนะ เออตั้งก็เลี้ยงเด็กเออมันร้องไห้แล้วก็มองดูมันลักษณะอย่างงั้นอันนี้คงเหมือนกันน่ะท่านที่เป็นพระหรหันใจของท่านเป็นพระหรหันท่านมองกายของท่านท่านก็มองดูจะทํำยังไงเออมันป่วยมันเจ็บรักษามันเอ่อทามันหิวเอาอาหารให้มันกินถ้ามันร้อนก่อน้ํามาอาบให้มันกินเน้ําอาบเออดูแล ร, รักษามันเนี่อันนี้ประวัติพระราหเวปันจักขันธะขันทฆ่าเป็นภาระ เหมือนกับผู้ใหญ่เลี้ยงเด็กรักษณะอย่างนั้นแหละนะแต่ทีงงไงก็หอใพวกเราทุกทุกท่านนะถึงจะเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงเด็กมันโตได้นะเลี้ยงร่างกายนี่มีทํามันจะตายเท่านั้นนะ่ะอผลที่สุดออกไปเผาไฟทิ้งไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองไปในเลี้ยงร่างกายเนะี่ยเลี้ยงใหญ่ตัวเองเลี้ยงใหญ่หญๆขึ้นมากันเนะี่ยอย่างรุงผมเนะ่ยมันมีตะไหร่ล่องไหลเลี้วแล้วเดียวเนี่อมองมันอยู่ตลอดเวลาเนะ่ มันไม่มีทางจะเจริญไปข้างหน้าในร่างกายเนี่ยมีแต่มันไหลเรีวไหลเร็วอีกต่างหากออพออายุห้าสิบนี่ไปว่ามันเริ่มไหลล ะ, ะหกสิบุมาไหลแรงเจ็ดสิบไหลแหลแปดสิบเรี่งห อ, อเก้าสิบคว้าตามไม่ทั น, นมันมันไหลาตามน้ำนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะให้พวกเราคิดไว้ในใจไว้อยู่เสมอ อ, อ, อย่าไปไว้ใจในชีวิต ให้ประกอบคุณงามความดีในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะให้ชําระใจด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยสมาธิด้วยปัญญานะี่ยชำระใจเมื่อใจของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนั่นะมันจะตายครับมันตายเถอะเฮ่อตายร้อนตายหนาวตายที่ไหนไหนไม่ได้มีปัญหาทั้งนั้นน่ะเฮอแต่มันจะตายยังไงตายร่างกายมันพร้อมที่จะตายในทุกโอกาสได้ทุกเวลานะ่ย แต่ใจของท่านเป็นพระรหานและจบนะพราะนั้นขอยพวกเราทุกๆท่านนะตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติการเป็นอยู่ก็อยู่ด้วยสารานิยธรรมอย่างที่หลวงพ่อผมได้พูดได้กล่า ว, วาเอาวันนี้เป็นวันอุบโบสถเป็นวันปฏิโมกก็ได้พูดเรื่องการเป็นอยู่ร่วมกันสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายอตอนนี่ไปสุดท้ายปฏิโมกข์นะับนี่นะ